ใจเนี่ยมันมีความสําคัญนะต่อคนเราคนสมัยก่อนนี้ก็รู้ความจริงข้อ น, นี้มาช้านานแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยพอวิทยาศาสตร์นะเริ่มเจริญก้าวหน้าคนก็เริ่มเห็นความสําคัญของจิตใจน้อยลงโดยเพราะจะเป็นเรื่องร่างกายเนี่ยก็มักจะมองว่าเนี่ยร่างกายนี่มันเหมือนเครื่องจักรนะที่ ไม่เกี่ยวอะไรกับจิตใจแนวความคิดแบบนี้ก็ยังมีอยู่ในการเรียนการสอนของแพทย์สมัยใหม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำให้เราได้ตระหนักนะว่าร่างกาย ก, กับจิตใจนี่สัมพันธ์กันมากเลยมันมีการทดลองนะที่ยืนยันในเรื่องนี้นะมากมาย ที่ทำให้เราตระหนักว่าจิตใจเนี่ยมีผลต่อร่างกายและความรู้นี่เนี่ยเราก็จะเริ่มจะรู้มากขึ้นเรื่อยๆนะว่าจิตใจนี่มีผลต่อร่างกายอย่างไรนะีบางอย่างก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนบางอย่างเราก็รู้มาก่อนแล้วแต่ว่าลืมไปนะเพราะว่าวิทยาศาสต ร, ร์มาสอนให้เรา เข้าใจว่าเนี่ยจิตใจกับร่างกายนี่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่เดี๋ยวนี้มันก็เห็นชัดคือเรื่อยๆนะว่าจิตใจกับร่างกายนี่มันแยกจากกันไม่ออกเมื่อหลายปีก่อนนี่เขมีการทดลองนะเอาคนสองกลุ่มอายุก็ประมาณ60นะใกล้ๆกันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาทั่วๆไป นะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเลือกเจาะจงเลยนะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาความจำคือความจำเสื่อมเช่นอัลไซเมอร์ทั้งสองกลุ่มเนี่ยผู้ทดลองนี่เขาก็ลองนะเอาเข็มเล็กๆมาเจาะคล้ายๆเป็นการทำให้เกิดแพ้ขึ้นแถว กำปั้นนะนะแผลก็ไม่ใหญ่นะแล้วเขาก็ศึกษาดูว่าเนี่ยแผลนี่มันสมานกันได้ในเวลาเท่าไหร่ปรากว่าคนที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยแผลจะสมานเป็นปกติได้เนี่ยในเวลา40สิวันแต่คนที่ดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ ฟื้นตัวได้ยากนะคือผู้ป่วยความจําเสื่อมเนี่ยใช้เวลานานกว่า น, นั้นนะเฉลี่ยเราก็ประมาณ9วันคือใช้เวลา49วันหรือ50วันกว่าแผนจะสมานเป็นปกติทําไมแผลจึงสมานช้านะในหมู่คนที่ดูแลผู้ป่วยนะที่มีปัญหาความจําหรือประหลกความจําเสื่อมก็ว่าผู้ผู้ดูแลเราเนี่ย มีความเครียดเนะี่ยเวลาลูกเนี่ยดูแลพ่อแม่ที่ความจำเสื่อมเนี่ยนะมันจะเครียดมากนะเดี๋ยวพอผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยดูแลไปนานๆดูแลทั้งวันนะเช้าเย็นเช้าเย็นหรือบางทีก็คำ่ำเครียดนะไอ้ความเครียดนี่ก็มีผลทําให้แผลเนี่ยมันหายช้านะ แผลก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าใช้เวลานานกว่าคนทั่วไปเนี่ยถึงวันนะโดยเฉลีย่ยมันก็เชื่อเห็ น, นว่าความเครียดเนี่ยมีผลต่อการฟื้นตัวหรือการเยียวยาของร่างกายนี่เฉพาะแผลเล็กๆนะถ้าเป็นแผลผ่าตัดด้วยลาเนโอมันยิ่งใช้เวลานานกว่านั้นนะถ้ามีความเครียดอีกที่หนึ่งนะเขาเอา่า ศึกษาโดยเลือกคนมาสามกลุ่มนะจริงๆทุกคนในสามกลุ่มเนี่ยเขาจะเจอโจทย์เหมือนๆกันคือโดนไฟฟ้าชอ็อตก็ช็อตพอที่จะทำให้รู้สึกเจ็บปวดกลุ่มแรกเนี่ยไม่มีใครอยู่ด้วยตอนที่ถูกไฟฟ้าชอ็อต กลุ่มที่2เนี่ยมีคนแปลกหน้ามาคอยจับแขนจับมือกลุ่มที่3เนี่ยระหว่างที่ถูกไฟฟ้าช็อต น, นี่ก็จะมีคนใกล้ชิดอาจจะเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนนะมาจับมือแล้วก็พรามันมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะกลุ่มสุดท้ายเนี่ย ที่มีคนรู้จักเนี่ยมาสัมผัสมือก็จะร uh> ู้สึกปวดน้อยกว่าสองกลุ่มที่เหลือกลุ่มที่สองเนี่ยมีคนแปลกหน้ามาจับมือก็รู้สึกดีกว่ากลุ่มแรกนะกลุ่มแรกนี่ไม่มีใครมาสัมผัสมือเลยแต่กลุ่มที่สองเนี่ยมีคนรู้มีคนที่ไม่รู้จักมาสัมผัสมือเขาก็ปวดน้อยลงนะแต่ว่าไม่ดีเท่า กลุ่มที่สมที่มีคนรู้จักมาสัมผัสมือใ้การสัมผัสมือที่มันหมายความว่าอย่ง น, นัหมายความว่าให้กําลังใจพอมีกําลังใจหรือแต่ละกำลังใจจากคนที่รู้จักเนี่ยว่ามันช่วยลดความปวดได้เยอะแล้วเขาก็ไม่ได้แค่ดูความปวดของผู้ที่ถูกไฟฟ้าชอ็อตเท่านั้นนะ ในเวลาเดียวกันเขาก็มีการสแกนสมองด้วยเพราะว่าทั้ง3มกลุ่มเนี่ยนะอยู่ในเครื่อง MRI นะเครื่อง MRI เนี่ยมันจะทําหน้าที่สแกนสมองแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะกลุ่มที่มีคนรู้จักมาสัมผัสมือเนี่ยนะไอ้ศูนย์ที่เกี่ยวกับความกลัวเนี่ยในสมองเนี่ยมันจะทํางานน้อยนะรวมทั้งศูนย์ที่เกี่ยวกับความยุติกังวลด้วย ในขณ ะ, ะที่กลุ่มที่ไม่มีใครมาเป็นเพื่อนเลยไม่มีใครมาสัมผัสเลยไอ้ศที่เกี่ยวความกลัวความวิตกกังวลเนี่ยมันจะมันจะแดงนะแปลว่ามันทำงานซึ่งก็สอดค้องกับความรู้สึกของกลุ่มนี้ว่าเนี่ยจะปวดมากกว่ากลุ่มอื่นกลุ่มที่3มเนี่ยปวดน้อยที่สุดนะอันนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะ แต่ว่าร่างกายหรือสมองมันก็บ่งบอกหรือมันก็ฟ้องด้วยว่านะว่าให้ความกลัวความวิตกกังวลก็ลดลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชี้เห็นนะว่าความรู้สึกปวดนะปวดน้อยปวดมากเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับกําลังใจด้วยกําลังใจที่ได้จากคนที่คุ้นเคย คนที่ผูกพันด้วยนี่มันก็ทําให้ความรู้สึกปวดน้อยลงเขาก็เลยสรุปว่าเนี่ยไอการสัมผัสนะจากคนใกล้ชิดเนี่ยนะมันมีผลพอๆกับยาชาอ่อนๆเลยนะไม่ต้องโดนยาชาก็ได้แค่มีคนรู้จักมาสัมผัสทั้งสองการทดลองสองอย่างนี้ทั้งสองกรณีมันเชื่อเลยนะว่าจิตใจนี่สำคัญมาก ต่อร่างกายนะถ้าเครียดมากก็ทำให้การฟื้นตัวหรือการสมานแผลมันช้าลงใครโดยกันถ้าเกิดว่ามีคนรู้จักมาอยู่ใกล้ๆมาเป็นเพื่อนหรือสัมผัสเนี่ยก็จะทำให้นะความรู้สึกปวดน้อยลงนะซึ่งมันก็มีประโยชน์นะสำหรับการแพทย์ด้วย จริงแม้กระทั่งการเติบโตของคนเราเนี่ยก็สัมพันธ์นะหรือมีผลจากการสัมผัสไม่ไ ม, ไม่ไม่น้อยเลยเมื่อหลายปีก่อนนะสามสิบสีบสบสบ่สิบปีก่อนหรือนานกว่า น, นั้นเนี่ยเวลาเด็กคลอดก่อนกำหนดเนี่ยก็จะให้เรียกว่าฟื้ น, ฟ, นฟูตัวอยู่ในในตู้อบนะและตู้อบนี้ก็จะมีการ เรียกว่าป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มข้นมากมีการให้อาหารกับเด็กเรียกว่าอนามัยจัดมากแล้วก็พบว่ามันมีเด็กคนหนึ่งนะที่ฟื้นตัวได้เร็วมากนม่เด็กทารกฟื้นตัวได้เร็วมากกว่าทารกคนอื่นๆท่านหมอพยาบาลก็แปลกใจว่าทำไม ถึงฟื้นตัวได้เร็วไปบาก็พบว่ามีพยาบาลคนหนึ่งแกชอบไปไปจับมือไปสัมผัสทารกคนเนี้ยทั้งที่ก็ห้ามนะเพราะว่ามันอาจติดเชื้อแต่พยาบาลนี่แกคงเอ็นดูทารกคนเนี้ยแกก็เลยชอบไปแอบไปสัมผัสนะไปลูบไปจับหรือไปให้กําลังใจนะเพราะว่าเด็กทารกคนนี้นปกติสุขภาพจิตสุขภาพกายดีขึ้นคงเพราะสุขภาพจิตมันดีขึ้นเล เขาเลยรู้แล้วว่าโ อ, อ้การที่เราป้องกันไม่ให้ผู้ใหญ่ไปสัมผัสมือทารกเนี่ยเพื่อการเชื้อโรคเนี่ยข้อเสียคือมันทำให้เด็กขาดการรับรู้ทางด้านจิตใจนะการได้รับความอบอุ่นนะแม้จากพยาบาลที่ไม่รู้จักเนี่ยก็มีผลต่อสุขภาพของทารกด้วยเฉั้นตอนหลังเนี่ยตู้อบเหล่านี้ก็จึงมีช่องให้คนยื่นมือไปสัมผัสนะ เดี๋นช่องอบเด็กทารกแรกเกิดก่อนคลอดก่อนกำหนดเนี่ยก็จะมีช่องให้ให้แม่พ่อหมอ พ, พยาบาล น, นะยื่นมือไปสัมผัส ต, ตัวเด็กนะเพราะว่าเรื่องของจิตใจก็สําคัญแต่ก่อนเป็นเน้นแต่เรื่องร่างกายนะพยายามไม่ให้เชื้อเข้ามาสู่ไม่ให้เด็กร่างกายเด็กสัมผัสกับเชื้อโรคแต่ว่ามันก็ทําให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับสัมผัสอ่อนโยนนะจากพ่อแม่แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเนี่ย เรื่องเชื่อโลกนี้ไม่สำคัญเท่ากับการได้สัมผัสนะจากคนที่รักคนที่ห่วงใยพ่อแม่เป็นต้นนะเนี่ยเรื่องจิตใจเนี่ยนะนะมันจึงสัมพันธ์สิงทับสำคัญ ม, มากนะกับเรื่องกับสุขภาพและความเจ็บป่วยก็เล่าไว้เป็นเกร็ดนะ